พระพุทธเจ้าสอนการละกิเลสเป็นขั้นตอนวันหนึ่งไม่ทราบว่าเราคิดสนุกอย่างไรไปหยอกผู้เท่าคือหลวงปู่เมตตาหลวงอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุนณารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่ไปเที่ยวสอนให้คนละกิเลสโลกโกรดหลงสอนศาสนาผิดนะไอบ้บ้า ทั้งหลายก็สอนให้ละ ก, กิเลสโลภโกรธหลงแกเอาคำพีไหนมาพูดวะว่าสอนให้คนละ ก, กิเลสโลภโกรธหลงสอนศาสนาผิดใครสอนเธอมาไม่มีใครสอนผมคิดของผมเองไม่มีใครจะไปตั้งใจละ ก, กิเลสโลภโกรธหลงได้หรอกพระพุทธเจ้าก็ไมา่ได้สอนให้ละ ก, กิเลสโลภโกรธหลงโดยตรงแต่เวลาท่านพูดไว้ท่านพูดไว้ในระดับสูงทีเนี้ยในเมื่อใครละ ก, กิเลสโลภโกรธหลงยังไม่ได้ ท่านสอนให้ใช้กิเลสโลภโกรธหลงให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมแกมีอะไรเป็นหลักฐานสินห้าข้อกับทิฏฐธรมิกถาประโยชน์สกิเลสโลภโกรธหลงมีในใจเอาให้มันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนใจให้เกิดทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามีอยู่หอย่างลาบคือผลประโยชน์ยศตำแหน่งหน้าที่การงาน สรรเสริญชื่อเสียงอันดีงามสุขกายสุขใจและอำนาจห้าอย่างเนี่ยทุกคนมีสิทธิที่จะสแสวงหาแต่ว่าการสแสวงหาควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีลห้าข้อและเธอมีหลักฐานอะไรมายืนยันทิฏฐธรรมมิัฉาประโยชน์4อุทานสัมปทามันขยันในการประกอบธุรกิจการงานหาผลประโยชน์นี่คือหลักฐาน คนไม่มีความโลภขยันไม่เป็นเพราะได้ผลประโยชน์มาแล้วอารักขาสัมปทาหัตระีให้มากๆคนไม่ตรนีไม่มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีในเมื่อพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติและอำนาจกัลยาณมิตรตาสร้างความดีกับเพื่อนบ้านแต่คนทั้งหลายไปตีความว่าครบมิตรที่ดีแต่ผมเปลี่ยนคำว่าสร้างความดีกับเพื่อนบ้าน ให้เพื่อนบ้านเขารักเขารบนับถือบูชาจะได้เป็นกำลังช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงสมะชีวิตตาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนบริวารให้มีความสุขตามสมควรแก่ฐานะอันนี้คือหลักของท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยพระองค์สอนเป็นขั้นตอนคนที่ยังติดอยู่ในโลกให้สแสวงหาผลประโยชน์ทางโลก คนที่มีอินทรีย์แก่กล้าสแสวงหาผลประโยชน์ในทางธรรมเพื่อสวรรค์คนที่มีอุปนิสัยสูงสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อมรรคผลนิพพานท่านสอนไว้เป็นขั้นตอนอย่างนี้